ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแ่ยร่มพระภูธิยานได้นำเสนอเรื่องอุเบขาบารมีสืบต่อกันมาโดยลำดับในพระบาลีนั้นได้แสดงอุเบขาซึ่งเป็นอาการของปัญญาที่มีความประณีตขึ้นไปตามลำดับนั้นไว้เป็นสิบประเภทด้วยกัน เลีาวเป็นการจำแนกแสดงจากระดับอัตกถาของมหาสติปัฏฐานในสุแต่ถ้าเราไปศึกษาพิจารณาทุบทวนในพระบาลีพุทธวจนะก็จะเ จ, เจอข้อความเหล่านั้นเพียงแต่ว่าพระาจารย์รุ่นหลังท่านนำมารวบรวมไว้แล้วก็ตั้งชื่อเรียกให้สอดคล้องกับกลุ่มธรรมที่ทรงแสดงในฐานะนั้นนั้น เรื่องราวเหล่านี้เราต้องขอบคุณบุรพาจารย์ที่นำสื่อประยุปตพระพุทธศาสนาะเพราะว่าเรื่องแต่และอย่างนั้นมันกระจายอยู่ในปัจเจบิด่งการที่จะมองธรรมะได้ตลอดสายเนี่ยมันมองยากเช่นสมมติว่าพูดถึงเรื่องอนัตตาในพระบาลีที่เป็นสามั ญ, ญลักษณะ คือลักษณะที่เหมือนกันของธรรมทั้งปวงนั้นท่านเรียกว่าอนัตตาแปลว่าความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเช่ตนไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวมีตนแต่ปัญหาสําคัญว่าจะอธิบายยังไงจึงจะสามารถสื่อสารกันได้ถ้าจะอธิบายทีเดียวรวดเดียวหมดมันก็บางเรื่องเนี่ยพื้นฐานความเข้าใจของผู้ฟังในกรณีเหล่านั้น เขาไม่มีพื้นฐานมาก่อนน่าจะเข้าใจได้ยากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นธรรมะระดับวิปัสสนาปัญญาการเห็นอ น, น้าตานั้นมันจะต้องถ่ายถอนความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนออกไปจากจิตใจเราด้วยคือไม่ใช่เป็นการพูดการอธิบายการชี้แจงเพียงอย่างเดียวอย่างที่ท่านเล่าถึง สมัยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตวัตรังตอนนั้นก็ฝรั่งยังไม่ได้ค้นพบทฤษฎีปรมาูมเกิดสไตล์เองก็ยังไม่พ บ, พบทฤษฎีสัมผัสนะแล้วก็มีการพูดเรื่องอนัตตากันระหว่างสมเด็จพระพุทธาจารย์กับฝรั่งฝรั่งนั้นเขาไม่มีเชื้อในเรื่องเหล่านี้เรื่องอนัตตาเนี่ยเขาไม่มีเชือ้อ ก็ไม่เข้าใจนะฮะเวลาอธิบายไปแล้วบอกว่าไม่ใช่ตัวเชตนลไม่เป็นตัวเป็นตนไม่มีตัวมีตนก็ทํำยังไงมันไม่เข้าใจแล้วเขาก็สอบถามว่าถ้าไม่ใช่ตัวเชตนลหรือไม่เป็นตัวเป็นตนหรือไม่มีตัวมีตนก็แสดงว่าผมก็ต่อยเจ้าคุณได้มันไม่ใช่ตัวตนเขาเจ้าคุณเนียสมเด็จท่านไวยอะนะฮะท่านก็บอกว่าก็ได้ แต่โยมก็เตะอัตมาก็เตะโยมได้เหมือนกันอัตมาบังคับมันไม่ได้นั้นก็แสดงว่ากรอบของธรรมานัตตาในยะนี้มันพูดถึงคนละมุมฝรั่งนั้นเขามองในมุมที่ไม่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ตัวเชิดตนหรือไม่มีตัวมีดตนแล้วก็ปฏิเสธทั้งแง่สมมติแล้วก็แง่ของปรมัภะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในแง่สมมตินี่เรายอมรับ มันเป็นการปฏริเสธในแง่ของปรมปรมัต ธ, ธรรมแต่นง่งหรือปรมัตสัจจะเท่านั้นแต่ว่าใจมันจะต้องเข้าถึงถ้าใจยังไม่เข้าถึงมันก็เห็นเป็นอัตตาตัวตนอย่างนั้นแหละแต่ว่าสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์ท่านอธิบายในกรอบของคำว่าเราไม่อาจบังคับบัญชาได้ วันเมื่อพลังต่อยมาท่านก็อาจจะเตะตอบได้เพราะบังคับมันไม่ได้มันเป็นนันตาหรือว่าเด็กนุ่คนหนึ่งไปฟังพระเทศก็อธิบายใจรักเช่นเดียวกันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ประเด็นอื่นเนี่ยแกก็จับไม่ค่อยได้หรอกแต่ว่าประเด็นไม่ใช่ของเรานี่แกข้องใจ ก็ปรากฏว่าพระเทศเสร็จก็มีญาติโยมถวายปัจจัยทายธรรมตานกรับทมปกติไอ้ดมยิ่งสงสัยใหญ่บอกเอ้าถ้าไม่ใช่ของท่านแหละท่านรับทำอะไรเลยแกก็เดิมเดินดา ม, มาจะถึงกุฏิหลวงพอ่อไปถึงก็ยกของถาดเหล่านั้นออกมาเลยหลวงพ่อก็ถามมันจะเอาไปไหนล่ะตานก็บอกไม่รู้ก็ตะกี้หลวงพ่อบอกก็ไม่ใช่ของหลวงพ่อไง ไม่ใช่ของหลวงพ่อผมก็ขอแล้วกันการบอกเพราะไม่ใช่ของข้านั่นเอ่ข้าถึงให้แก่ไม่ได้คือไม่มีสิทธิ์ที่จะให้เพราะมันไม่ใช่ของเราก็เจอลูกเด่นหลวงพ่อข่าวก็ในหนุ่มก็เลยงงไปเหมือนกันตอนปรยายญ์คนธรรมะเหล่าเนี้ยเมื่อเราต้องการทราบอาธิบายว่ากรอบจริงๆเนี่ยคืออะไรบ้างยังนแนวของอนัตตาที่เราคุ้นๆเนี่ยเราจะเห็นว่า มันก็มีอยู่สี่ความหมายใหญ่ๆที่เจอบ่อยความหมายแรกอย่างที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลกนันสูตรก็ทรงเน้นในประเด็นที่เรียกว่าเราไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาให้สิ่งต่งางๆนั้นเป็นไปตามที่เราต้องการได้จะบังคับอย่าเจ็บนะ่าแก่นะ่าป่วยนะผมจะงอกนะฝันอยากหักนะอะไรแต่ไหมันบังคับไม่ได้ นั่นก็คืออนัตตาในความหมายหนึ่งจริงในความหมายหนึ่งเนี่ยมนรงกันข้ามอัตตาตัวตนซึ่งเป็นระบบความเชื่อไม่ใช่ระบบความจริงนะไอออนตาตัวตนดิถาวรเนี่ยเป็นระบบความเชื่อก็เกิดหลงยึดติดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็มนุษย์มันก็มีอัตตามีสักกายยะอยู่ภายในใจ ก็มักจะมองในแนวนั้นแหละก็ถือว่าเป็นอัตตาตัวตนที่ถาวรยั่งยืนไม่แปรผันความคิดเหล่านี้มันอธิบายง่ายก็มันถูกก็กิเลสมนุษย์นะฮะมนุษย์มันก็มีอัตตาแต่ถามว่าอัตตาตัวตนอย่างนั้นมีจริงไหมมันก็ไม่มีเพียงแต่ว่าสิ่งบางสิ่งชีวิตบางมิติมันมีอายุยั่งยืนไเช่นสมมติว่าท่านที่เกิดเป็นพรหมอย่างงี้ แล้วเราก็อาจจะเคยเกิดเป็นพรหมมาหรือเราระลึกชาติได้ท่านอยู่เป็นผมชั้นสูงเราเป็นผมชั้นต่ำเราก็จุติก่อนท่านเราจติแล้วสมมติเราระลึกชาติได้เอา้านี่ท่านยังอยู่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็ตายไปอีกชาติหนึงเกิดใหม่เอา้ายังเจอท่านยังอยู่เนี่ยเห็นไหมในสุดเราก็เข้าใจว่าท่านเที่ยงมันก็เหมือนกับอะไรล่ะ เหมือนกับเราเกิดมาเราก็เจอภูเขาสมมติว่าเกิดในท้องถิ่นเดียวกันเก็เจอภูเขาลงเนี่ยเราเลึกชาติได้ทุกชาติทุกชาติก็เออก็มีภูเขาก็แสดงภูเขานี้เทียงแต่ถ้าเราศึกษารายละเอียดจริงๆแล้วภูเขานั้นก็สึกกร่อนไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วก็อาจจะเตี้ยลงไปเยอะแต่มันอายุมันยืนกว่าเรา แล้วเกิดสำคัญมั่นหมายในรูปของอุปาทานคือยึดจิตว่ามันก็เป็นอย่างนั้นคือตั้งเข้าใจเอาผลตรงนี้มันก็กลายเป็นนัยยะหนึ่งคือตรงกันข้ามกับอัตตาที่เป็นความเชื่อซึ่งปรากฏในาศาสนาเทวนิยมทั้งหลายแล้วก็สิ่งตัเนี้เมื่อนำมาย่อยมาย่อยออกไปแล้วมันก็กลายเป็นอนูเป็นปรมณโณู มันไม่มีตัวตนจริงๆอยู่ในสิ่งแล้วนะั้นถ้าเร า, า จ, จะมองจากอะไรล่ะเร า, า จ, จะมองจากกอกล้วยเร า, า จ, จะมองจากคนก็ได้นะคือถามว่าความเป็นคนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคนมันต้องกาะกลุ่มกันทั้งหมดจึงจะเป็นคนหรือแม้แต่บกพร่องผิดพลาดอยู่บ้างนะะคือขาดตกไปบ้างพิคนไปการไปบ้างเมือขาดเท้าขาดอะไรๆเนี่ยมันก็ยังคงความเป็นคนอยู่ แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตมันดับมันก็กลายเป็นสุขหรืไม่กลายเป็นคนเพราะความเป็นคนมันเป็นองค์ประกอบร่วมระหว่างธาตุทั้งหกคือดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็วิญญาณทีนี้ถ้ามันดับไปสักอย่างเนี่ยเช่นวิญญาณดับเนี่ยดินน้ำลมไฟอากาศก็ยังยังคงอยู่ก็อตอนนั้นก็ไม่ใช่คนแล้วมันก็กลายเป็นสุข ทีนี้พวนี้พย่อยอไปทีหนึ่งไอ้ดินน้ำน้องไฟเอ็มก็ไม่มีมันก็กลายเป็นอนุปรมาณูไปนั้นก็คือแนวที่ท่านให้นัยยะอีกนัยยะหนึ่งว่าพอย่อยไปแล้วมันก็ศูนย์คือว่างจากความเป็นของเราจากความเป็นเราจากความเป็นตัวตนของเราอีกนัยยะหนึ่งก็คือใครไม่เป็นเจ้าของอะไรจริงๆ เราเกิดมาก็คว้าจับยึดติดกันด้วยการต่างๆไอ้นั่นของเราของเราของเราก็ว่าไปไเรื่อยที่น่าตลกก็คือแม้แต่เราขึ้นเครื่องบินขึ้นรถไฟขึ้นยานพาหนะต่างๆก็ที่จริงเจ้าหน้าที่เขาก็ให้บัตรที่นั่งในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไปชวนเปลี่ยนกับใครก็ได้ จวนตนามีกับพัญญาเขามาต้องการจะนั่งคู่กันแล้วพอดีเบอร์หนึ่งเป็นของเราก็าจะมาขอเปลี่ยนบางคนก็ยึดติดเป็นของเราไปเลยคือไม่ยอมให้เปลี่ยนตทางที่ยอมไม่เปลี่ยนไม่ยอมให้เปลี่ยนมาถึงปลายทางมันก็หมดความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของในที่นั่งตรงนั้นแต่ว่ามนุษย์เนี่ยมันมีมืดบอดด้เหตุผลมืดบอดด้วยอำนาจของอวิชชาบางอันมันก็ไปหลงยึดติดแม้สมมติ นิดดใกล้ๆนะฮะเดีนเราจะขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพไปสุราษฎร์มันก็ห้าสิบนาทีก็ห0สิบนาทีต้นเองอ่ะสมมติก็ยังยึดติดกันอยู่ได้ก็เปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ได้หรือขึ้นไปเชียงใหม่ก็แถวๆนั้นนะห้าสิบห้าสิบ้านาทีไปนครศรีธรรมราชก็ชั่วโมงสิบนาทีอะไรเนี่ยมันก็แค่นั้นไปแถวหาดใหญ่ก็ประมาณชั่วโมงสิบสองนาที แต่ว่าเราก็ขนาดขนาดนั้นมนุษย์ก็ไปยึดติดก็ได้อันนี้ของเราที่ของเราที่นั่งของเราก็ไม่ยอมให้คนอื่นไม่ยอมเปลี่ยนคนอื่นแล้วก็ยึดติดอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือความหลงหลงโลกหลงซ้อนซ้อนหลงเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องการทำความเข้าใจมันก็ต้องไปศึกษาดูว่ากรอบจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง อุเบกขาที่เราคุ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็คุ้นแค่สองสามคำที่เราคุณกันบ่อยๆแล้วก็ที่คุ้นมากที่สุดก็คืออุเบกขาในพรมิหารต่อจากนั้นก็เป็นอุเบกขาในฌานนานๆจะได้ยินแต่ครั้งหนึ่งอุเบกขาในโพชฌงนานานจะได้ยินจะครั้งหนึ่งอุเบกขาใหญ่ๆที่คุนก็คือเบกขาในพรมิหารทั้งสี่ประการ เพราะฉะนเพื่อจะให้มองธรรมะในรูปที่มีความเข้มข้นต่างกันนะคุณภาพต่างกันเนื้อหาเหมือนกันคุณภาพก็คือความเข้มข้นขององค์ธรรมเหล่าเนี้ยมันจะมีความยืดหยอดไม่เหมือนกันทําให้เราพบชื่อเรียกเรื่องเดียวกันเนี่ยแตกต่างกันแม้แต่คําว่าโลภะคาเดียวถ้าเราลองนับดูเนี่ยมันเป็นสิบสิบเลยชื่อเรียก แต่ถ้าเราดูคุณภาพคือความเข้มข้นแล้วไม่เหมือนกันเช่นสมมติว่าฉันท้าความพอใจกับโลภะความโลภเบือพิชาวิสมะโลภะเนี่ยความเพ่งเล็งโลภจ า, ากได้นะจะเห็นว่ามันก็ต่างกันคือความพอใจนั้นจะได้ก็ไม่ว่าไรไม่ได้ก็ไม่ว่าไรก็รู้สึกพอใจเฉยๆบางครั้งเนี่ยเช่นวัยเห็นดอกไม้ก็พอใจที่เขาเห็นอยู่ติดกับต้น เห็นผลไม้ก็พอใจที่จะเห็นก็ติดจกกระต้นไม่ต้องการให้ใครมาปริ้ดให้มาเก็บสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตัวเองแต่ถ้าถึงความโลภแล้วเนี่ยคงจะอยู่ตรงนั้นไม่ได้คงจะต้องไปซื้อหาต้องไปหยิบช่วยสิ่งเหล่านั้นมาครอบครองหรือเป็นเดี๋ยวเข้าจะพาะก็แสดงว่าโลภเหมือนกันแต่ว่า โลบชุ่มที่สองนี่มันชักจะผิดสีแล้วจนถึงจุดหนึ่งก็เพ่งเล็งโลบอยากได้ต้องเอาให้ได้แล้วจะไม่คํานึงถึงวิติกาลมันก็กลายเป็นทุจริตหรืกลายเป็นอินธ า, านเห็นไหมก็ที่จริงก็คือโลบแต่ความเข้มข้นมันต่างกันเท่นั้นเองตอนนั้ น, นอุเบกขาที่จะจำแนกแสดงไปตามลำดับในโอกาสต่อไปเนี่ย ก็เป็นการพูดไปตามที่ท่านเรียบเรียงไว้ในอัตถกถาสัตมสติปัฏฐานสูตรประการแรกก็เรียกว่าฉลังคุเบขาคือการทำใจเป็นกลางๆเวลากระทบกับอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสบางครั้งก็เรียกว่าตัตมัชัตตาเจตสิกคือจิตมันเป็นกลางๆ คมรู้สึกมันเป็นกลางๆคือเจตสิกคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตนะแต่ว่ามันก็รู้สึกเป็นกลางๆตามปกติเวลาเราสัมผัสอารมณ์ที่เราคุ้นเนี่ยมันจะมีความพอใจไม่พอใจกันเฉยๆแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งเนี่ยพอใจนั้นก็เป็นเรื่องของกุศลเป็นธรรมชนทะคือความพอใจในธรรมแล้วก็ไม่พอใจนั้น บางครั้งเนี่ยมันก็ออกมาในรูปของไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษคือไม่พอใจไม่ยินดีที่จะเกี่ยวข้องที่จะคบ้าสมาคมที่จะเสพที่จะประพฤติปฏิบัติก็แสดงว่าอาการเหล่านี้มันมีอาการของกุศลก็มีอกุศลก็มีแต่ว่าตรงนี้เขาจะเน้นที่เฉพาะอากุศลนะคือปรดสังเกตด้วยว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเราเราไปพูดเราก็ลืมไปว่า เช่นสมมติว่าอันเนี้คือที่จริงก็คืออินเสียสังบอกคือสํารวมระวังอินท ร, รีย์เวลาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจ ม, มูกดมกลิ่นลิ้นเดี่มรสกายตรงตยองยนัดอ่อนแข็งและใจเหนียวนึกจุดนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันคุมไม่ให้เกิดกิเลสเาเรียกว่าคุมไม่ให้เกิดยินดียินร้ายเพราะจะยินดีกิเลสประเภทโลภะมันก็เกิดขึ้นปราัถนาไข่อย้าอยากได้อยากมีอยากเป็นจนถึงกระสันอยากในอารมณ์เหล่านั้น ก็แสดงว่าใจมันเหวี่ยงไปได้วยแรงของกิเลสหรือบางทีก็เกิดไม่พอใจเกิดไม่ชอบใจแล้วก็ดึงอารมณ์เหล่านั้นมาปรุงคิดคิดปรุงก็เพิ่มความไม่พอใจขึ้นไปเรื่อยๆก็กลายเป็นอะไรละกลายเป็นกา ร, รบิตกเป็นพยาบาทบิตกที่ใจก็เราร้อนถูกแผดเผาด้วยความรู้สึกตรงนั้นเพรา ะ, ะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันก็ตัดเป็นแสหมายความว่าทําใจเป็นกลาง ปัญหาว่าคิดยังไงะที่จริงเราก็มีพื้นฐานในการคิดไม่เราสังเกตว่าในชีวิตรจริงๆในแต่และวันที่เราสัมผัสอารมณ์เนี่ยยินดียินร้ายยกตัวอย่างเช่นเราฟังข่าวส่วนใหญ่มันก็สักแต่ว่าข่าวรับรู้แล้วก็ผ่านไปไม่ได้ติดใจอะไรสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ตก เป็นตะ ก, กรอนใจที่เอามาปรุงคิดคิดปรุงด้วยความรักและวด้วยความชังแล้วด้วยความโศกนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งที่ออกมาในแนวตรงนั้นก็แสดงว่าโดยพื้นจิตจริงๆมันทําใจเป็นกลางๆได้คือไม่ยินดีไม่ยินไรในอารมณ์ที่มากระทบหมายความไม่เห็นก็สักแต่ว่าเห็น ได้ยินก็สักแต่วันได้ยินสุดโดมก็สักแต่ว่าสุดดมลิ้นก็ลิ้มก็สักแต่ว่าลิ้มเย็นร้อนนออนแข็งก็สักแต่ว่าเย็นร้อนนออนแข็งหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยทําใจให้สงบจากอารมณ์ที่มากระทบอย่างที่ท่านทําเป็นรูปลิงสามตัวเมื่อก่อนนี่ได้ข่าวประธานาธิบดีบินครินตันนะคร ก็ดึงเอาเข็มกลัดที่เป็นลิงสามตัวของนางอันไบรท์ซึ่งเป็นเติมสี่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามาอธิบายให้ประธานาธิบดีรัเสเซียฟังแต่ก็แปลกนะคือฝลังเขาไปในมองเด่นออกคือมองไปในทํานองว่าไม่ไปรื้อฟื้นเรื่องไม่ดีที่ผ่านมาแล้วมาพูดกัน แต่ขรงเราจะมองไปในแนวที่สัมผัสอารมณ์ในแต่ละขณะคือหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมันผ่านมาทางตาเฉยๆสักบ้างได้ไหมอยากเกิดความยินดียินร้ายท่านก็ให้สัญญาณโดยการปิดตาแล้วก็เสียงที่ได้ยินในเฉยๆสับ้างได้ไหมอจะไปรับรู้อย่าไปใส่ใจสนใจมัน แล้วตลอดถึงเรื่องมันเรื่องเนี่ยที่กติกคนไทยบอกว่าพูดไปสองไผเบีย้ยนิ่งเสียตะมึงทองเนี่ยไม่พูดสักบ้างได้ไหมถึงเราไม่พูดใครก็ไม่ได้ว่าเราโง่หรอกเราไม่พูดสักบ้างคือนี้คือเป็นการทําใจให้อยู่ด้วยอุเบกขาคือไม่เกิดความยินดยินร้ายเอาระดับในชีวิตประจาวันนี่นะในข้อนี้เคยพบคํากรอน ที่ท่านผู้หนึ่งเขียนเอาไว้แล้วก็ซึ้งมากเขาว่าเป็นหลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ที่วัดมหาธาตุท่าประจันเนี่ยตุกวันท่านหมอหนาไปแล้วเป็นมหาแต่ก็ยังยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะก็สืบ อ, อยู่ว่าเป็นใครคือเขียนได้เพราะมากท่านบอกว่าปากเป็นปูหูตะกราตาตะกแกรง่งปากไม่แพร่งหูไม่อ้าตาไม่เห็น เป็นหลักธรรมนำให้หัวใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราวสงบใจจากอารมณ์ที่เป็นขั้นสึกต่อความสงบหมายความอารมณ์เหล่านั้นอาจจะยั่วยุยวยวน ย, ย, ยวยุเนี่ยมันก็เพิ่มโทสะยุ ย, ยวนก็เพิ่มกามราคะเพิ่มโลภะแต่ว่าเราก็มีอะไรก็ตรงนี้ทิลักษณะปัญญานะฮะ อาจจะใช้สติก็ได้อาจจะใช้สมมจั่นก็ได้อาจจะใช้ขันติก็ได้อาจจะใช้อะไรก็เฉยๆเลยคือธรรมะที่เป็นกุศลมาประคองจิตมา ร, รักษาจิตเอาไว้ก็ทำให้เกิดความรู้สึกเฉยๆในขณะนั้ น, นใจก็ไม่ถูกปรุงด้วยกิเลสแต่ทีนี้ถามว่าถ้าเกิดเป็นกุศลล่ะกุศลไม่ต้องนะไม่ต้องวางเฉยคือปลูกฝังความพอใจหละ ตรงนี้จะเน้นในกรณีที่เป็นเฉพาะข้อนี้นะฮะเน้นในกรณีที่มันจะเกิดกิเลสแต่ลองสังเกตว่าอารมณ์ที่กระตุ้นกิเลสเนี่ยที่จริงมันมีอยู่สามกลุ่มใหญ่เปลียงแต่ว่าแสดงแล้วก็แฝงไว้ในอารมณ์ห น, นั้นเการมที่กระตุ้นให้เกิดความกำหนัดเกิดความโลภเกิดความขัดเคืองกำหนัดกับโลภเนี่ยอันเดียวกันนะฮนะ แล้วก็เกิดความขัดเคืองก็คือเกิดกิเลสประเภทโทสะเกิดความงมงายร้าเหตุผลมโหเมาก็กระตุ้นกิเลสประเภทโมหะแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความประมาทเผลอหลงลืมพลังพลาดการเหนียรรางยับยั้งชั่งใจการตัดสินการวินิจฉัยอารมณ์หล่านั้น เพราะด้วยพลังของเบิกขาเนี่ยทําให้จิตมันสงบไม่ปรุงให้เกิดความกําหนัดเกิดความโลภเกิดความกัดเคืองเกิดความรุ่มหลงเกิดความมัวเมาในภาคสนามเนี่ยบางครั้งอาจจะพูดเรื่องสติก็ได้นะตรงเนี้ฮะอาจจะพูดเรื่องความไม่ประมาทก็ได้ความไม่ประมาทกับ <c oughs> สติเป็นเรื่องเดียวกันนะเช่นทรงแสดงไว้ว่า ควรทำความไม่ประมาทในที่สี่สถานคือหนึ่งระวังใจอย่าให้กำหนัดในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดระวังใจอย่าให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจอย่าให้หลงในอารมณ์ันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงระวังใจอย่าให้ประมาทมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมัวเมาหมายความอารมณ์เหล่านั้นน่าจะมีลักษณะกระตุ้นกระตุ้นใจเราให้สูญเสียความสงบ อุเบขาซึ่งเป็นอุปาอิขะหรือเข้าไปเพ่งดูจะจัดการอะไรดีอ่ะที่มันไม่เสียผลประโยชน์คือถ้าเกิดผลประโยชน์ไม่ได้ว่ากันนะนะแต่ว่าถ้าเสียประโยชน์แล้วเนี่ยก็ต้องทำใจให้สงบจากอารมเหเราดันถ้าปริมาณของปัญญาเรามากมาพอนะฮะช่างเขาตด ไม่เป็นไรปล่อยเข้าไปหรือว่าก็สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่ากลิ่นสักแต่ว่ารสสักแต่ว่าอารมณ์ที่มากระทบถามว่าโดยพื้นฐานจริงๆทาได้ไหมก็ทําได้อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าถ้ารมมันกระแทกแรงเนี่ยเอาไม่อยู่เท่านั้นเองเพราะในกรณีนี้มันก็ฝึก รักษาจิตให้อยู่ในระดับฉลังขุเบขาอุเบขาที่อยู่ในองค์หกคือเวลากระทบอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาสัมผัสดังกล่าวต้องฟังทงั้งหลายแต่ร่มประพททยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้เวลาเป็นระดันี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามเปบุญในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี